จุ้งอจุ้งมีอะไรที่จะภายในเจ็ดวันเนี่ยก็ครั้งที่สองครั้งแรกก็เข้าๆออกๆออนะคะในหาผู้ดูแล ด, ด้วยครั้งนี้ก็เต็มเวลามากขึ้นตอนแรกตั้งใจว่าจะเข้าห้าวันแล้วก็เนื่องจากยังยังมีงานคงค้างแตว่าคือเข้าใจคำว่าศรัทธาและพรรอานามากขึ้นตรงที่ว่า เ, เวลาที่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 ทำตรงนี้ได้บ้างสองสาครั้งแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นกําลังคือประทับได้แล้วเนี่ยเราจะจะสามารถปฏิบัติต่อหลังจากนั้นได้ดีทีเดียวอย่างน้อยสิบห้านาทีคือจะจะรู้สึกว่าสบายสบา ย, บายจะแบบว่าอืเห็นคือไม่ค่อยฟุ้งซ่านมากมันไม่ค่อยคือฟุ้งซ่านมันสามารถไหลมาไหลไปได้นะแล้วก็เ อ, อการที่เออ